พอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอมาสติปัฏฐานสูตรมาโดยลำดับเนื่องจากในส่วนของสัจจะปภะเป็นพระธรรมเทศนาที่ส่งแสดงแนวนิปริยายคือหมายความว่า ถ้าแสดงเต็มที่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีคือจะเหมือนกันทั้งโดยอัฏถะแล้วก็โดยพยัญชนะที่น่าสังเกตก็คือว่าตอนท้ายของประสูตร์เนี่ยส่งประกันให้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานที่สี่ว่าบุคคลสามารถบรรลุมรรคผล นานสุดๆเนี่ยไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็ส่งย่อลงมาด้เรื่อยจนบางครั้งก็เพียงเจ็ดวันคือเริ่มต้นจากเจ็ดวันนะะเริ่มต้นเจ็ดวันไปแล้วขยายไปเรื่อยๆเป็นเจ็ดวันเป็นเจ็ดเดือนเป็นเจ็ดปีแต่สรุปแล้วก็ไม่เกินเจ็ดชา ต, ติส่งรับรองผลแต่ว่า ทรงเนินย้ำที่ตัวเหตุหมายความว่าจะต้องไม่มีปัญหาในตัวเหตุเพราะถ้ามีปัญหาในตัวเหตุในผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ผลลัการในการเทศของพระเจ้าข้อหนึ่งก็สือสรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วสามารถจะสัมผัสความจริงหรือเข้าถึงความจริงในระดับนั้นๆได้ ก็ไม่ได้กล่าวบรรยายตามปกติแล้วก็ก็ไม่เอารายละเอียดมามากเพราะว่าบางการจะจํายากคือเอาเฉพาะประเด็นที่จับเป็นหลักได้ก็วันก่อนได้เน้นในส่วนของสมาวิมาร ก, กับสมาสติแต่อย่างไม่ได้เน้นในส่วนของสมาสมาธิคือสมาสมาธิก็จะเหมือนกับสมาวิมารสมาสติสงแสดงอย่างนี้ทุกที คือสรุปว่าทั้งอริยมรรติองค์แปดประการก็จะส่งแสดงอย่างนี้ทุกจีแหละแต่ว่าในส่วนของสมุทัยกับส่วนนิโรธเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงกับพิศพิสดารอย่างนั้นในส่วนทุกขก็เหมือนกันคือโดยทั่วไปก็ไม่พิสดารอย่างนั้นแต่ว่าเ้่าไม่แสดงพิสดารมาตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธ โยมักเองก็จะรับสั่งเฉพาะชื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิคือจะใช้คําเพียงเท่านั้นมันเป็นมาตรวัดถึงวุฒิภาวะของผู้ฟังว่าทําให้ขยายความพิสดารอย่างนี้หมายความผู้ฟังนี่เก่งมากพื้นฐานบารมีแก่กล้ามาก สามารถพูดย่อยดแล้วก็เข้าใจได้อย่างเช่นในกรณีของพระปัญญวคีในธรรมจากกวัตรนสูตรที่เราคุ้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่พิสดารอย่างนี้แต่นี้ในส่วนของสมาสมาธิที่ส่งแสดงแนวขยายแล้วก็ลงตัวคืออย่างนี้ทุกทีรับสั่งแสดงว่า ดูกรภพิสุจทั้งหลายสมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบเป็นอย่างไรดุกรอนพิสูจทั้งหลายพิกษุนในธรรมีในนี้สงัดแล้วจากกามารมณ์สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลคือลองสังเกตว่าธรรมที่เป็นอกุศลคือสัพพิเกเรททั้งหลายในที่นี้ก็เน้นไปที่พวกนิวรนนั น, นขณะเดียวกันเนี่ย แต่การสงบไปของกิเลสเนี่ยจิตมันไม่ได้เหนียวตรึกนึกถึงกามารมณ์คืออารมณ์ที่น่าคลายน่าปรารถนาน้าพอใจไม่เนียนึกตึกนึกถึงรูปถึงเสียงถึงเปลี่ยนถึงรส ถ, ถึงผลถ้าถึงธรรมารมณ์โดยการกําหนดว่าน่าคลายน่าปรารถนาน้าพอใจเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไปสงบกามฉันทะนิวรณ์ โดยพลังของสมาธิเนี่ยไปสงบการมชันทะนิวรณ์เอาไว้ผลการที่การมารมสงบก็แสดงว่ากิเลสสงบไอ้กิเลสสงบเดี๋ยี่จริงเป็นเหตุให้การมารมสงบืกอการมรมณ์ขก็มีอยู่อย่างนั้นแหละโดยปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าจิตไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ไปกำหนดหมายอารมณ์ ว่ารูปสวยเสียงไปรอกกีโนบรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องแล้วก็จะมีการเผยความปรารถนาเพื่อได้เพื่อบีเพื่อเป็นเพราะว่าอกุศลธรรมเนี่ยเขาสงบที่ก็ทรงแสดงไปโดยลำดับว่าเข้าถึงปฐมฌานประกอบ้ดยวิตกและวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่อันเกิดจากวิเวก ค, คือในปฐมฌานเนี่ย ชานีมน่มันมีความหมายสองระดับความหมายในเชิงที่เป็นเหตุความหมายในเชิงที่เป็นเหตุก็ปรากฏในพระบาลีชั้นหลังสมถะกรรมฐานเนี่ยท่านเรียกว่าอารมาโุปนิชาตคือเพ่งดูอารมณ์ตั้งสติระลึลกรู้อยู่ที่อารมณ์จนจิตสงบดูกับอารมณ์เหล่านั้นเช่นจะเป็นกสินเช่นเป็นอนุส ต, ติเช่นเป็นอสุภาอะไรต่ แต่นี้ถ้ายกเอานามารูปขึ้นมาพิจารณาเนี่ ย, ย, ยเขาเรียกว่าลักขณูปนิชาติคือไปเพ่งดูที่ลักษณะเอาเอาเกณฑ์ของความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานี่เข้าไปจับจะมองในมุมใดมุมหนึ่งที่เราถนัดคือเห็นได้ง่ายเนี่ยมันก็มองในมุมนั้นเราสังเกตโดยพื้นฐานอย่าง อย่างเยกตัวอย่างพระอาจารย์ชาพระอาจารย์มั่นเนี่ยจะหนักไปทางอนัตตาหลวงพ่อพุทธทาสเองก็หนักไปทางอนัตตาพระบาทสมเด็จพระอรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ยิย่งหนักทางอนัตตาเลยก็เรียกว่าทรงดับด้วยอนัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตัวฉันตนในตรงนี้สมบัตบางท่านเนี่ย ยังเคยสังเกตลูกศิษย์พระจันชาคือคุ้นกันมากสายลูกศิษย์พระจันชาเนี่ยก็อ่านหนังสือบ้างฟังท่านพูดบ้างฟังพระจันช า, ชาฟังเทพคัดเสร็จนะฮนะคือจะเน้นในเรื่องความมา ย, ยึดมั่นถึอมั่นเนี่ยเป็นหลักมีลักษณะเช่นเดียวกับที่หลวงปู่มั่นท่านเน้น โดยเห็นว่าในมุตโตไทยของหปู่มั่นเนี่ยก็จะเน้นในแนวของไตรลักษณ์เนี่ยยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมนี่จะเยอะมากเรื่องไตรลักษณ์คือแสดงว่าส่งเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งก็ยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ตามตรงนี้เขาเรียกว่าลักขณุปนิชานลักษณะก็คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเช่ออนอนิจจลักษณะก็คือว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกว่าเที่ยงเป็นการดำรงอยู่ได้เพียงช่วขณะขณะขณะก็มาต่อกันจนจิตเนี่ยไม่เห็นจริงตามนั้นและใจที่เคยคว้านะฮะของเราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวเป็นตนของเรามันไม่มีอะไรให้เป็นถ้าก็ปล่อยวาง ความยึดติดเดือนอำนาจความหลงเหล่าเนี่ยถ้าเหล่านี้ก็อยู่ในโลกด้วยกันเนี่ยพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกเช่นเดียวกับเราอยู่เพียงแต่ว่าพวกอก า, ารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเท่าที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นคือรูปก็สักแต่รูปเสียงก็สักแต่สเสียงกลิ่นก็สักแต่วกลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ มันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ปรุงในที่นี้สงช์ยช้ก็มาอากุศ ล, ลธรรมคือไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ปรุงในเรื่องเดียนั้นยันที่ทรงสะท้อนภ า, ภาพภาพไพรรอบมากนะฮะ ค, คือรับสั่งตรงนี้ไพร่รอบมากเอสะปัตะสิมังโลกังจิตังรัชรัชะระถูปะมังยัตะบาลาวิสีดันตินาธิสังโฆวิชารนาตา่าง สำเร็จประมาณสำนักเจา้ากรุมยาววิยาณรูรส่งแปลวสูเจา้าทั้งหลายจงมองดูโลกนี้อันตราการดุดรชิรสนี้คือสมติสัจจะถือว่าโลกนี้มันสวยงามน่าดูน่ า, นาชมน่าเพลิดเพลินน่ะนำทัวนำํำเชี่ยวกันไม่มีที่สิ้นสุดตลอดชีวิตก็เชี่ยวไม่หมดอะเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใครเนี่ยมันมีแล้วเรากาหนดว่าน่าใคร แล้ที่จริงมันก็สักในประธาต์มาเกาะกลุ่มกันจะเป็นภูเขาจะเป็นวิจิตรพิศรัลอะไรมันไม่มีอะไรอ่ะบดีน้ำหลวงไฟอากาศมาประชุมกันอย่างสลับซับซ้อนสับสนน่าชื่งสวยงามสูงสูงต่ําๆแล้วก็มีสีสันอะไรต่างต่างเราก็ไปคิดว่าสวยงามพวกคนเขาในขอ้อข้องก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่ผู้รู้ไม่ข้องไม่ข้องไม่ติด เพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าการสงบอกุศลธรรมทำให้กามารมณ์ก็สักแต่ว่ากามารมณมันไม่เป็นกามสมคัญท่านมันเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่ารูปสักเรวเสียงสมำคานแต่พวกนี้จริงกําเริบได้นะฮะกาเริบได้เปรแผลผันได้ง่ายตามปกติแล้วพวกได้ชานก็อยู่ปา่าละอยู่ตามท่านทามเขา เข้ามาเมืองไม่ค่อยได้หรอกพอเจออารมณ์กระแทกก็ทั้งก็เป๋เยอะก็งั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในป่าแต่ของเราเนี่ยจะต่างกันคือพระเจ้าของเราเนี่ยท่านเข้าป่าเหมือนกันอยู่ป่าเหมือนกันแต่ว่าท่านจบเลยไปจากที่คนเหล่านี้จบท่านกลับเข้ามาสู่เมืองด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง เพะจะไม่ถูกล่าด้วยกามารมณ์ทางหลายเพราะคอท่านไม่ใช่สงบแนละ้วมันตัดมันดับไปเลยไม่มีเชือ้อเพราะอารมณ์ที่ปรากฏระดับปฐมฌานก็คือวิตกุกหรึกนึกที่เป็นกุศลวิจารไตรซองในสิ่งที่เป็นกุศลปีติความเอืบอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจแล้วก็เอกคตาคือจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยสมาธิ ่านเรียกว่าเอกกตาก็คือมีอารมณ์เดียวกว็าอารมณ์ที่จิตเกาะระลึกอยู่นั่นแหละทีนี้พวกนี้พอมอันเกิดมาไปประกบกันนิวรณ น, นิวรณ์ก็มีห้าข้อแต่ว่าชานเขก็มีห้าข้อเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเป็นการพูดถึงอาการขององฌานที่เกิด แล้วก็ทําหน้าที่สงบภูณิวรนเป็นการประกบกับเป็นคู่ ค, ค, คููแต่ก็ไม่เรียงลําดับนะไม่เรียงลําดับอย่างที่นิวรนเขาเรียงวิตกเกิดขึ้นเนี่ยไปสยบถีนมิทะซึ่งเป็นนิวรนข้อที่สามวิจารณ์เกิดขึ้นไปสยบปิจิกิชาซึ่งเป็นนิวรนข้อสุดท้าย พิธีเกิดขึ้นไปสยบนิวรณ์ข้อที่สองคือพยาบาทเดี๋วสุขเกิดขึ้นเนี่ยไปสงบนิวรณ์ข้อที่สี่คืออุทจักกุกกุจักแล้วก็เอกคตาหรือว่าตัววิเวกในตัณววิเวกเนี่ยมันไปสงบตัวกามาฉันทะซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อที่หนึ่งตามปกติแล้วในที่ต่างๆมันจะสงบ จะสยบเช่ดเช็ดจนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไปสงบความโลภความโกรธความหลงคือประกบเป็นคู่คู่ศีลสมาธิปัญญาไปสงบความโลภความโกรธความหลงหยาบกลางละเอียดตามลำดับเป็นนี้ไมเรียงคนละดักกันเวลาพวกนี้เขาดับเนี่ยพอมาถึงตุติยชานก็รับสั่งแสดงว่า เพราะที่เพราะความที่วิตกและวิจารทั้งสองนะครับลงเข้าถึงตุติยฌานความเพ่งที่สองเม่เรื่องผ่องสายภา ย, ภายในใจให้สมาธิเป็นธรรมันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิวิตกสงบวิจารสงบหมายความว่าทีนั้นมิถะสงบวิจิกิชาสงบลึกไปกว่าเดิม แต่ตัดไม่ขาดนะฮะพวกนี้ตัดไม่ขาดท่านเรียกว่าเป็นวิขำพณนะปาหานคือละได้ด้วยการกดทับเอาไว้ตอนองคล้ายๆกับศีรษะอสาารพิษเนี่ยเราก็เอาไม้ ก, กดไว้มันยังไม่ตายหรอกตัดีไม่ดีมันก็แวงกัดเราได้เพราะจิตใจที่เป็นฌานที่จริงเสี่ยง ไม่เข้มแข็งเราจิตอย่างเงี้ยถ้าเจออารมณ์ที่เราวิสภาคอารมณ์อารมณ์ที่เป็นข้ดศึกเออจะกระตุ้นกิเลสประเภทราคะก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้เออส่วนมากก็จะเป๋เป๋ได้ง่ายนะฮะเป๋ได้ง่ายในกรณีของกิเลสสองสามตัวเนี่ยจะท่านจะเป๋ได้ง่ายเพราะฉะนถ้าท่านไปหลีกเร้นอยู่ในป่าท่านก็ไม่รู้จักใจตัวเองเหมือนกัน ก็เข้าใจว่าใจตัวเองหลุดพ้นไปแล้วที่จริงมันเป็นการสงบชั่วคราวพวกนี้อยู่ได้เป็นกั่ปียี่สิบปีนะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามหลักฐานในพระบาลีรุ่นหลังเนี่ยท่านยกตัวอย่างบุคคลเป็นนั้นมากที่ท่านอยู่กันตั้งบางทีตั้งหกสิบปีฮนะอยู่ที่ชานนะั่นแหละติดที่ชานข้าวานทุกคืนแล้วก็ไม่เจอกับวิสภาการมณ์คือพวกนี้ดีอย่างหนึ่ง หมายความเมื่อคนยอมรับนับถือท่านว่าเป็นผู้พิเศษมีคุณธรรมสูงอะไรต่อไรเนี่ยคนจะให้ความเคารพยำเกรงแล้วก็คนที่ไปพบไปหาก็แต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ไม่มีใครไปกล้าไปกับเถียงท่านหรือขัดคอท่านอะไรต่รเพือทำให้ท่านดูตัวเองไม่ออก บางทีถ้าใครไปไปขัดแย้งกับท่านเนี่ยนะฮะอย่างที่พูพูดถึงฤาษีตาไฟฤาษีกระไรโกดอะไรแต่ไรเนี่ยพวกนี้ที่จริงได้ยานได้ฌานแนวนี้ทั้งนั้นนะแต่ก็เป๋ไปเยอะนะฮะในชาตดุกนี่จะเยอะพระโพธิสัตว์เองยังเคยเป๋เลยเพราะงั้นเอ่อพวกนี้ตั ว, ต, วตัวทุติยฌานเนี่ยเขาเรียกว่ามัเด่น คือปีติก็เด่นสุขก็เด่นแล้วสมาธิก็เด่นโดยปกติทั่วไปท่านบอกว่าพระอริยบุคคลเวลาท่านต้องการจะพักเนี่ยท่านจะเข้าฌานแค่นี้แค่แค่ทุติยฌานเพราะว่าเวทนาที่เสวยทั้งปีติทั้งสุขเนี่ยมันเป็นเวทนานะเป็นสุขเวทนาแล้วก็มีความสงบเป็นฐานเพรา ะ, ะนั้นจะเด่นและจะเสริมพลังในส่วนร่างกายของท่านให้แข็งแรง จากนั้นก็บอกว่าอันหนึ่งเพราะความที่ปิติวิราชปราดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉย อ, อยู่และมีสติสมัมมาัญญาสวยสุขด้วยกายเพราะนั้นพอมาถึงที่สามในปิติมันสงบยังเหลือเฉพาะสุขกับเอกคตาเป็นความสงบแม้แต่พวกอุทธจัจนะอุทธจัตที่จริง เป็นกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าระดับสังโยชน์แล้วเขาอยู่น้นเลยนะฮะตัวที่แปดที่เก้านะอยู่ลึกมากบางคนที่ละอุาจจจะได้จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตอนนี้มันก็สยบไปได้โดยพลังของความสุขที่นี้ความสุขเนี่ยมันก็อยู่มาจดถึงเนี้ยมาเหลือสุขกับสมาธิอยู่ในระดับตติยสาจ พอมาถึงจตุตฌานคือเป็นฌานที่สี่ในพระบาลีพูดแค่สี่เท่านั้นเองในอภิธรรมนั้นท่านพูดห้าก็ที่จริงไม่เคยเข้าใจไงนั่นนะฮะเพราะวิตกวิจารณเนี่ยมันอันเดียวกันอะวิตกกันใดวิจารนั้นวิจารณ์ใดวิตตกกันนั้นแล้วพอแยกอยู่คนละองคชาเนี่ยเราก็ก็นึกไม่ออกนะก็นึกไม่ออกมันก็คงต้องสัมผัสเราก็ยังไม่ได้ฌานมันก็ไป ไปติงอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยในพระบาลีไม่มีปันจมมชานบอกวิตกกับวิจารณ์เนี่ยเขาเขาไปด้วยกันน่ะเขาเกิดด้วยกันน่ะเขาอยู่ด้วยกันวิตกมันแป๊บเดียวเองนะนอกนั้นเป็นวิจารณท่านบอกว่าวิตกเหมือนกับการตีระกังวิจารณ์เหมือนเสียงโหยหวนของรักขังทุกทีเดียวเองตรงนั้นเป็นเป็นวิตกนอกนั้นเป็นวิจารแล้วเสียงมิจะโหยหวนไปกี่นาทีก็เป็นวิจารณ์ วิจารณ์จะอยู่นานแต่ว่าถ้าเราลองดูสภาพจิตเราเนี่ยมันวิตกวิจารณ์ิตกวิจารณ์คือคิดเยอะเอาเรื่องมาคิด e. เยอะเหนียวไปคิดเปลี่ยนเรืああ e ่องทีหนึ่งก็วิตกทีหนึ่งเปลี่ยนเรื่องทีหนึ่งก็วิตกทีหนึ่งแต่ว่าในแง่รายละเอียดก็คงจะเร็วกันนั้นเนี่ยแต่ว่าดูไม่ทันนั่นเองบอกว่านองเหลือแต่ อ, อุเบกขากับเอกกตาเวคานี้ s เขาเรียกว่าอุเบกขาฌานนะครับไม่ใช่อุเบกขาใน โพชุ ง, งเรียกอุเบกขาสัมโพชงนี้เรียกว่าอุเบกขาฌานก็เป็นอาการของกัปปัญญาที่เพ่งดูทีนี้ปัญหาว่าเพ่งดูอะไรอ่ะมันก็มีเหลืออยู่สองอย่างคือตัวสมาธิกับตัวเบกขาก็แสดงว่าเพ่งดูที่ตัวสมาธินั่นแหละและว้วพาถึงจุดหนึ่งท่านก็ไปเหนียวหรือไปเพ่งตัวนี้มันก็เป็นนามธรรมนะมันเกิดบิด เปลี่ยนแปลงก็ยกขึ้นสู่ไสยัรักข้ขาใดข้อหนึ่งก็ได้หรือท่านจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะมันมีพลังนะฮะมันมีจิตมันรวมตัวเบคาแปลว่าอุปะอิขะคือเพ่งดูให้เองสังเกตที่ชัดเนี่ยคือที่สติปัฏฐานไม่ใช่ที่ที่ปริยานสีหรือที่เราสัมผัสอารมณ์เรียกวิชลังคุเบคาเนี่ยเบคาที่เราสัมผัสอารมณ์ในแต่ละวันเนี่ย ให้เราสังเกตว่าอารมณ์เยอะที่เราเฉยเฉยไม่ยินดียินได้ผ่านแล้วผ่านเลยเดินสวนก็คนเยอะเราไม่รู้จักเลยเพราะเราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอัญญานุบเบกขาคือกูบเบกขาโง่ือไม่รู้ก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวแท้นะตัวแท้มันเป็นปัญญา แนวของพระมิหารเนี่ยคือมันนอกวิสัยที่จะทำเช่นคนมีความเจริญก้าวหน้าไปเพราะความดีของท่านแล้วดำรงอยู่ในความดีตลอดมาเราไม่มีภารกิจอะไรต้องทำตอนท่านได้ดีใหม่ๆเนเรามุจิตาแต่ดำรงอยู่ในความดีตลอดมามันก็เฉยๆหรือคนประสบความ ชั่วเพราะผลกรรมของตัวเองมันนอกวิสัยเราใช้เมตตาก็ไม่ได้ดูนาไม่ได้มุติตาก็ไม่ได้เราอุเบกขาเพราะอุเบกขาเนี่ยมันใช้ในกรณีที่สัตว์เป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้เป็นอารมณ์เราไม่มองคนนะเรามองที่กรรมเพราะคนเนี่ยอดแกงไม่ได้แต่ว่าแน่นอนแหละมันก็ผูกโยงกับคน หมายความว่าคนไปประสบผลกรรมอย่างนั้นแล้วก็นอกวิสัยที่เราจะทำได้ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ท่านก็บอกว่าเพราะความที่โสมนัติและโทมนัตทั้งสองในการก่อนอัสดงดับไปเข้าถึงจะตุถิชาณความเพลงที่สี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขา สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอเบคายเราเห็นว่าอุเบคาก็คือปัญญาสติก็คือสติกเห็นชัดเจนนะฮะว่าองค์ธรรมหลักที่ทรงสอนมาตลอดสติสัมชาาโนอาตาปิสัมมาาโนสติมาวิทยาโลเกเนี่ยมันมีพลังขึ้นหมดทั้งสามข้อใจก็ดิ่งลงสู่สมาธิ ก็จากนั้นก็ส่งแสดงโดยสรุปว่าูุคคลพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาสมาธิจากนั้นก็ส่งแสดงโดยสรุปคือธรรมเทศนาในแนวนี้มีไม่บ่อยอ่ะมีไม่บ่อยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยก็จบเป็นจบเลยแต่นี้จบแล้วก็ส่งขยายต่อ เราสั่งว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกข์คณิโรธกามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่เป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งที่เป็นภายในภายนอกบ้างก็เหมือนกับนิยติกาวแล้วนะเช่นเช่นเช่นสมมติว่า ในขณะนั้นเนะ่ยมีสมมติว่ามีปิติปรากฏอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็มีความเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นธรรมที่ยังไม่ปรากฏหรือธรรมที่ปรากฏล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นครูธรรมที่ปรากฏเนี่ยคือมันเป็นเช่นเดียวกับที่ที่เราเคยสัมผัสสัมผัสมาแล้วแม้แม้ที่ยังไม่เกิดมันก็จะมีอย่างเดียวกันคล้ายๆกระดูกคนเนี่ยเราดูกที่เราก็ได้ เราเป็นฐานเราเราในปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไรก็ช่างไงมันมีคนแก่กว่าเราแล้วก็เราก็ผ่านความแก่มาโดยลําดับตันเด็กเกิดแว่มาถึงเราเห็นเลยว่าหนึ่งนี่เธอก็เหมือนเรานี่แหละเราก็แก่เหมือนเราถ้าอยู่มาไว้เดียวขนาดเราแล้วก็ต่อไปเธอก็ตายเหมือนกันพวกนั้นก็เป็นกายภายนอกมันก็เหมือนกับกายเราคือเป็นนั้นเดียวกัน พนี้ที่จริงไม่ใช่ธรรมดานะฮะถ้าเราคิดได้ตรงนี้นะคืออย่างนึกไม่ออกไม่รู้ทะเลาะ ก, กันไ่ทําอะไรพอเสร็จแล้วต่างคนต่างก็ตายฮะมาด้วยกรรมของตนอยู่ด้วยกรรมของตนแล้วก็จากไปด้วยกรรมของตนเราไม่นักกันมาไม่นักกันอยู่ไม่นักกันไปต่างคนต่างก็อาศัยกระแสของสังสารวัฏมันพัดหมุนไปก็ดูแลเป็นคนแต่ละคนน่าสงสารนั่นนะนะ ถูกขังอยู่ในกรงคือสังสารวัตแล้วก็ถูกพัดหมุนอยู่ในกระแสของสังสารวัตรแต่การขับเคลื่อนของกิเลสก ร, รมวิบาก็มหมุนกันไปหมุนกันมาแต่แหมพอมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยหนึ่งคล้ายๆกับตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าใหญ่โตโหมู่านออกการปัน่นป่วนทะเลาะวิวาทการตัดไม้ทําลายป่าเกิดมานิดเดียวโกงกินชาติบานเมืองสิปุ่นปียุบยับไปหมดเลย เกิดมาเป็นมนุษย์ดีๆนะฮะแดีวตายไปตกนรกเป็นเรื่องที่น่าสลดอ่ะถ้าเรามาเข้าใจเข้าใจคืออยากถึงระดับสมบูรณ์เลยถือว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานะเกิดขึ้นทังอยู่ดับไปเกิดขึ้นทังอยู่ดับไปเกิดขึ้นทังอยู่ดับไปจับสามคำนี้ให้ได้กไดเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเนี่จับให้ได้ไม่นช่วยอะไรได้เยอะนะ รเราเห็นว่าบางทีเนี่ยมันพัฒนาความคิดขึ้นไปยังนึก ถ, ถึงเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าเขาลากไปเชื่อมกับสีมัดพกวัชกีตามาาภาราตยุทธนะก็าลากไปเชื่อมกันเลยหมายความว่าพระรามเองก็ ต้องอวตารมาเป็นพระกฤษณะในตรงนั้นอานุมานเองก็มาอยู่เป็นพลังแผ่ไปในที่ต่างๆในสกสงครามนะแล้วก็มีพวกทั้งหมดอ่ะกปานาดบทั้งหมดพวกการบทั้งหมดก็ก็เชื่อมต่อกันไปจากเรื่องราวังเกียนมันเป็นระบบความเชื่อแต่เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ย มันตัวพระนารายเนี่ยเป็นผู้ทำารงรักษาหมายความพระนารายเป็นภาพลักษณ์ของความแก่แต่ว่าพระพรมเป็นภาพลักษณ์ของความเกิดพระศิวะเป็นภาพลักษณ์ของความตายก็ที่จริงก็เกิดแก่ตายก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปแต่ว่าพวกพราหมณ์ก็คิดยืดเยื้อลากไว้เป็นแถวต่อกันไปเป็นแถวเลย ่ซึ่งที่จริงมันก็กลับสะท้อนความเป็นสังสาระจกักแต่ว่าจิตค่อนข้างเชี่ยงนะฮะแกจะเห็นว่าพนารายแกเป็นอะไรแกเป็นพนารายอยู่นั่นแหละแกเป็นพระรามแกเป็นกิษิยนาแกเป็นอะไรเต่าบังอะไรอะไรต่างๆยุะแยะไปหมดเลยแกก็เป็นพนารายอยู่นั่นแหละพระศิวาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือคือก็มองในแง่เชี่ยง แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่าว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงถ้ามันยังเป็นสังขารอยู่ก็ไม่มีอะไรเที่ยงเพราะสังขารจึงไม่เที่ยงสังขารจึงเป็นทุกข์แต่ว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาในสุดเมื่อจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามีความความเสื่อมไปบ้างความเกิดขึ้นบ้าง ไอ้การมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นแ่ะจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมในธรรมจะเป็นกุศแลแกุศลกลางกลางมันก็คือกันคือสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นเพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกมันไม่มีอะไรน่าข้องน่าติดน่ายึดนะะทีนี้ถ้าเรายังเป็นจำํจำจําเป็นจะต้องข้องต้องติดต้องยึด พอยังไงยังไงเราก็ทําลายกิเลสยังไม่หมดมันก็ทํายังไงว่าให้ภพชาติมันประนีตขึ้นไปหน่อยในการเจริญกุศลอย่างเนี้ยสมมุติว่าเราเอาระดับศีลสิกขาสมมาวจารสมากรรมตะสมาชีวะเป็นฐานอย่าให้มีปัญหาระดับนี้ระดับสินธรรมหมายความว่าจริงๆเราก็มีสัมมาสติสมาทิฏิสัมมาสังกปะสัมมาวยามะสัมมาสติสมมาสมาธิอยู่ระดับหนึ่ง กำกับควบคุมกายวาจาแม่วิปริลมันก็กากับควบคุมทิศทางของชีวิตได้อย่างน้อยก็ปิดประตูนรกได้นะคื อ, อยังนึกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยแตททำยังไงให้ปิดประตูอบายได้แล้วก็พบชาติจะประนีตขึ้นไปยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในชั้นแรกเนี่ย เคยปิดประตูนรกให้ได้เป็นเรื่องแต่ต้องใช้ความพยายามทีนี้คนสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเรื่องทางสารวัตรก็พูดอะไรกับเขายากกับเราคืนพูดเขาอาวุธเฉยก็ดา่าทีนี้ด่าเนี้ยคือเราไม่ได้เห็นเองเนีคือเราอ้างพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นการด่าพระธรรมไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพพระริยสูง เราไม่ได้รู้เองนะธรรมะทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้รู้เองแต่เราก็ถ่ายทอดพระเจ้าทรงแสดงว่ายังไงเราก็ยินยันอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ออนไว้ไปตามกระแสของโลกก็จะต่อต้านคัดค้านยังไงก็ต่างเขาเรื่องของเขาแต่ว่าเราก็พยายามรักษาหลักการตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษเลยนะความเชื่อเรื่องกรารเรื่องสังสารวัตรมีประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนก็มีวินัยในตัวเองหละสามารถกํากับควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่บนเส้นทางของการทําดีพูดดีคิดดีรู้สึกสมเด็จญาสรุปนะประโยคนเนี้ยนานมาแล้วหลายปีมาแล้วไปนั่งนั่งไปในรถแล้วก็มีรถนําไปข้างหน้าเนี่ยเขเขียนไว้ข้างหลังกระจกรถเออใครสรุปได้คมไหมไปต่างไปทางนครสวรรค์เนี่ยนี่ใครสรุปได้ค ม, ม แล้วก็รู้ทีหลังว่าสมเร็จย่าตอนสรุปเป็นธรรมดีผู้ดีคิดดีหมดนะฮะตรงนี้ยหมดละก็คือกายสุจริตวิจิตสุจริตมโนสุจริตก็ไปสอดคล้องกัที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าสุโทธทนะนะธรรมันจะเรสุจริตตังนัน่งดุจริตตังจะเรธรรมจารีสุขังเสติอสมิงโลเกป ร, รามิจจะพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตยาประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต เพราะคนที่มีปกติประพฤติธรรมอยู่เนี่ยจะได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นหมายความว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นเข้าถึงประโยชน์ทั้งสองประการประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกอื่นประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่บู้คนอื่นก็รัตสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม พิจนาเห็นธรรมในธรรมคืออายะสัตตสี 4. ก็ที่จริงก็จบแต่ว่าทรงขยายนะตรงนี้ทรงขยายคล้ายๆกับมงค ล, ลสูตรคือมงค ล, ลสูตรเราใจเห็นว่าที่จริงมันควรจะจบจะจบตอนตอนนั้นแหละตอนตอนมงคลที่สามสิบปดอ่ะพุทธโสโลกธรรมเมหิจิตังยัสะในกรรมปฏิยโสกังเวจังเขมังเอตมังกาลมุตตมังนะที่จริงก็น่าจะจบ แต่ทรงอธิบายขยายความว่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปฏิบัติไปตามมงคลดังที่ทรงแสดงมาแล้วเนี่ยสัพพรทวะปราชิตาจะไม่ไพ่แพ้ในที่ทั้งปวงสัพพะสดิถึงกับชันติคือจะเข้าถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงนี้คือดมมงคลก็มีพระสูตรไม่มาก ที่ทรงขยายตอนหลังเนี่ยทรงขยายเองเนีก็รับสั่งว่าลูกกรพิสูตทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนั้นตลอดเจ็ดปีต่อเนื่องนะมีข้อแม้ว่าต้องต่อเนื่องคือทรงประกันผลเนี่ยจะทรงเน้นย้ำที่เหตุตพระของพระเจ้าจะดูได้ง่ายว่าบางที่เหตุเนี่ยไม่มากหรอก แต่ว่าจะส่งกระชับที่ที่ตัวพยัญชนะเพื่อบ่งชี้อัฐถว่ากรอบมันอยู่ตรงนี้นะอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่า ง, ย, างยกตัวอย่างถึงว่าธรรมะที่ทํำกันเป็นเทวดาแล้วก็พวกพวกชุดเนี้ยสีบ้างอาสีบ้างห้าบ้างนะก็จะส่งเน้นใช้คําสั้นๆแต่ว่ากรอบมันใหญ่มากศรัทธาสัมปชาติแลสัมปทา จาก้สมรติปัญญาสมรติสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยการสละบริจาคและสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์หมดเลยเรจาจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งสี่ข้อเนี่ยศีลก็สู่นิพพานได้ศรัทธาก็ําสู่นิพพานได้จาก้าก็ําสู่นิพพานเป็นไยพจน์ของนิพพานนะจาก้าเนี่ยและปัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักเลยคือตัวนําสู่นิพพาน แต่ก็ส่งมาสรุปที่ความสกัชับแต่เนี่ยทำทาให้ค่อนข้างจะข้่องใจพ่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช่มาแปดปีแล้วผ่านรัฐบาลมาสามรัฐบาลรัฐบาลชวลิตรัฐบาลชวน ร, รัฐบาลทักษิณหนึ่งสองจนทุกวันเนี่ยนะยังไม่มีกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับมาตราสาสิบแปดกับมาตราที่ 8, าจดสิบสาม พอ ม, มาเราดูที่คำาอุปถามและคุ้มครองเนี่ยเออปู้นี้ถ้าคิดแบบศรีตนนชัยมันจะเบาวิวเหมือนกับขนนกเหมืกระสํารีนะเบาวิวไม่มีราคาเลยเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเข้าถึงด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่มีความจริงใจมีความสุจนเตใจมันจะหนักแน่นเหมือนกับภูเขาเลย แล้วก็ข้องใจนะว่าทำไมตั้งแปดปีแล้วยังไม่มีกฎหมายมากฎหมายลูกออกมารองรับคือมันน่ า, นาจะมีพระเาชาบัญญตัติอุปธรรมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาแต่ก็มีในศาสนาอื่นแล้วอิสลามเนี่ยเขมีแล้วศาสนาคริสต์ยัย ง, ยงไม่แน่ใจเพราะว่าประชากรเขาไม่ค่อยมากจนป่านนี้แล้วยั ง, ยงไม่มี ในที่นี้เราเราจะเห็นว่าทรงใช้คำเนีอาตาปีสัมปชานสติมารินยะโลเกอพิชาโดมันสังอันนี้แม่บทมันงเลยหมายความว่ามีความเพียรเผากิเลสใ้เล่าร้อนมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมพยายามขาจัดความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์โลกที่เราสัมผัสในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย เพรกิจกรรมเหล่านี้ที่จริงเนี่ยสังคมเราไปยึด ต, ติดในรูปแบบมากเกินไปมันต้องมีรูปแบบพิธีกรรมต้องมานั่งสมาชิต้องอะไรต่ออะไรจริงๆมันไม่ใช่อ่ะตัวการมันสติสัมปชัญญะความเพียรไม่ได้บอกว่าต้องนั่งแต่มีสติสัมปชัญญะความเพียรขจัดอวิชาติเถรมนัตในโลกอยู่ในยบบนาบุไรใก็ได้แปลกอะไรล่ะ ทำไมจะต้องไปนั่งสมาธิแต่ก่อนถึงจะไปปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมที่จริงการประพฤติสุจริตทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่ยังบอกติว่าน่าเสียดายว่าเราไม่เคยสัมมนามาทําความเข้าใจกันมาทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนั้นเและเราเห็นชัดเลยนะะว่าบางเรื่องเนี่ยอาจารย์ต้องการควบคุมคนอื่น ตทางการกํากับควบคุมคนอื่นเช่นต้องมีการสอบอารมณ์มีการถวายตัวมีอะไรอะไรเนี่ยเกินไปฮะเรียมมาอบรมที่ตึกสวไมาตั้งเริ่มมาแต่สองหนึ่ง น, นะครับจนทุกวันก็ยังอบรมก็ญาติโยมก็เอามีการถวายตัวแต่ครูบาอาจารย์บอกไม่เอาอะถวายต่อพระเจ้าเลย คือว่าเราเป็นเด็กรับใช้เราอย่าไปไปให้คนถวายตัวมอบกายถวายชีวิตต่อเรามันเบ่งมากไปนะทําตัวเป็นเด็กรับใช้รพระเจ้าพอแล้วเลยก็เมื่อโยมสมัครใจจะทําอย่างนั้นเราก็เอาข้อความที่เจะคุณธรรมดมเซ้งอุตมะเทระท่านท่านใช้แต่ท่านออกมาจากไหนไม่ทราบแต่การมอบกายถวายตัวเราเห็นว่ามีปรากฏมาตั้งแต่วิสุธทธิมรรค ก็เป็นการเขียนของพระอาจารย์รุ่นหลังเมื่อพศตั้งเกือบหนึ่งพันแล้วเกศทีนเที่จะให้เขามอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยเนี่ยก็ไปพบตัวถวายตัวต่ออาจารย์นั้นเราเห็นได้ว่าเมื่อเรื่องคิดขึ้นใหม่กิต้องการอำนาจต้องการเป็นใหญ่ต้องการกำกับควบคุมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นรูปแบบสมาทานศีลต้องสมาทานจากพระอะไรต่อะไรันก็เขียนกันตีหลัง ทำให้ปิดกั้นโอกาสในการทำความดีเออไม่ได้คอยเขาวัดตัวเนี้ยที่จริงก็อธิษฐานเราก็ได้จาเป็นอะไรจะต้องสมาทานสมาทานแล้วไม่รักษามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามันอยู่ที่เรารักษาหรือไม่รักษาประศีนแปลว่าเจตานาแปลว่าความสํารวมระวังแปลว่าการไม่ล่วงละเมิดแปลว่าการงดเว้นแปลว่าเจตสิกแปลว่าปกติแปนได้เยอะ ไม่ได้เน้นที่การสมาทานอะไรทอะไรแต่เราก็ไปเน้นในเชิงที่เป็นรูปแบบมากไปเพราะฉะนั้นจริงๆให้ลองสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นทุกนั้นคือที่ที่เห็นจริงๆเนี่ยไปเห็นที่อนาปาเพราะอนาปามันมันมันกี่ยวกับการต้องดูลมต้องดูลมต้องกํากับควบคุมลมก็แบบโยคะนะฮะกับ สารัฐานเนื้อหาแล้วก็แบบโยคะสูตรของปรตตันชลีแต่ว่าเขามุ่งไปเล่นในทางลมปราณของพระเจ้ามุ่งไปที่ตั้งของสติมันเป็นบันไดคือไม่ไม่ไปตามเส้นทางเขาแล้วแต่ว่าไปร่วมทางกันนิดหน่อยเราก็แยกออกเราก็ไม่ไปตามตามเขาแต่ว่ามันไม่มีรูปแบบก็รับสั่งแสดงว่า ตุกข an พิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีนี้อย่างนั้นตลอดเจดปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคืออร่าตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาชิคือกิเลสเนี่ยอุปาชิก็คือกิเลสหรือว่าพวกสังโยชน์พวกอะไรพวกเนี่ยยังมีอยู่ก็จะเป็นพระนาคามีหนึ่งคือผู้นั้นคงจะได้อร่าตผลหรือนาคามีผลในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่ ทีนี้ก็เจ็ดปีนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เจ็ดปีนี่ก็ถือว่าค่อนข้างมากกันนะค่อนข้างมากแล้วก็ทรงย่อ ม, มาด้วยเลยนะมาว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเจ็ดปียกไว้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดหกปีแล้วก็หวังผลสองประการเหมือนกันคือว่าเป็นพระอราหันต์หรือเป็นพระอนาคามีในชาตินี้ก็ว่าเรื่อยมาจนถึงกับ ห้าปีห้าเอ่อหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีก็ว่ า, าเรื่อยนะฮะมาจนถึงหนึ่งปีแล้วก็ผลต่อนนั้นก็จะเกิดได้เรื่อยๆทีนี้บางทีเนี่ยก็สมมุติว่ามขาเป็นเดือนนะเป็นเป็นจนถึงก็อะไรล่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะแล้วก็สรุปสรุปไปแล้วก็เรียกว่าจนถึงเจ็ดชาติ ประกันผลแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องไม่ละเลยเหตุนะถ้าละเลยเหตุมันก็ผลก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่นั้นในในตอนสุดท้ายจึงส่งแสดงว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายผู้ใดพู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสิทธ์นี้อย่างนั้นตลอดเจ็ดวันผู้นั้นพึงวังผลสองทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือบรรลุอาหารหัตเรื่องนาคามีอย่างกล่าวเนี่ยเพื่อ ดูความพิสูจน์ต่งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความรำไรเอาเอาข้อความตอนตอน้ตนมามาสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้แนวการเรียกอุดเทศนิเทศปฏินิเทศอุทเทศคือบทตั้งแล้วก็นิเทศคือบทขยายแล้วก็ปฏินิเทศคือบทสรุปตรงนี้ก็นํามาสรุปสรุปนั้นข้อความแบบเดียวกับตอนต้ น, ตน แต่ว่าไม่วิจิตพิจารณาเทาไรนะก็เพื่อการาล่วงเสียซส่งความโศกและความรำไรเพื่อสะดงดับไปแห่งทุกข์และโทมานตฏเพื่อบรรลุญายาธรรมเพื่อกระทำให้แจง้งสึงมนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสีอย่างด้วยประการชนี้คำมันใดที่กล่าวแล้วอย่างนี้คำนั้นที่อาศัยทางอันเอกคือสติปัฏฐานสี่นี้กล่าวแล้วด้วยประการชนี้แล้วท่านก็เล่านะทีหลังพระ เขเข้าใจพระอนุนนะฮะว่าพระผูมีพระภาคจเาจ้าสัตประสูตินี้จบแล้วพิสูจน์เหล่านั้นมีจะยินดีเพลิดเพลินซึ่งภาสิทธิ์ของพระภู้มีพระภาคโดยประการเลยชนี้ตรงเนี้ยมี ม, มีมีการพูดว่ามีนักศึกษาก็ถามมันก่อนว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าอภิธรรมเป็นไม่ใช่พุทธพจน์บอกว่าคือถ้าคุณจะเอาพุทธพจน์ทุก ค, คำนะไม่ใช่หมดทั้งทั้งทั้งสามบโดกนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาหมา้บอกว่าทุกอย่างนี่เป็นพุทธศาสนาเห็นไหมตอนนี้อิดามาโวจะภักกวายอย่างเนี้ยของพระอานุนเราก็เห็นอยู่อะข้อความมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าเก็เรื่องบางเรื่องเรามาถกเชียงกันโดยไร้สาระประโยชน์นั้นเองก็เป็นนั้นว่าสติปัฏฐานสูตรก็จบแต่ว่าเห็นว่าควรจะเอาพระสูตรในมัชฌิมานิกาย มูลปันนาฏเนี่ยเอาให้จบทั้งทั้งวักเขาอะสมมวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่แท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี